33. ความเจริญสิวิไลเซชันของโลกคือความเจริญเกศไม่เช่นนั้นคนหรือสังคมก็พากันหลงความเจริญเกศที่ไม่ประเสริฐ จ, จริงหรือไม่เป็นอารยธรรมแท้นั้นแหละเป็นความเจริญสิวิไลเซชันที่วิปลาส เพราะยิ่งหลอกการยิ่งหลงเสพหลงติดยิ่งยึดมัน่นยิ่งสแสวงหาความเป็นโลกธรรมยิ่งแย่งขิงที่สุดเลวร้ายและฆ่าแกงทำลายการอมหิททั้งแบบเลือดเย็นที่สุดหรือเลือดร้อนที่สุดดังที่เป็นและเห็นอยู่เต็มโลกนั้นแล กรรมจึงยิ่งใหญ่มากพระพุทธเจ้าจึงได้มีทรษฎีที่ยิ่งใหญ่ให้คนปฏิบัติเพื่อแก้กรรมเรียกว่ามรคอันมีองค์แปดซึ่งจะได้ทั้งในขณะนึกคิดสังกับป่าในขณะพูดวาจาในขณะมีการกระทำทุกอย่างกรรมมันตะ และในขณะทำการงานอาชีพของตนอยู่อาชีวะเพราะกรรมหรือการกระทำของตนของตนนี้แหละที่พาเป็นปุถุชนอยู่ไม่รู้จบถ้าเรียนรู้กรรมแล้วแก้กรรมของตนให้มาเป็นคนพ้นโลกโลกีิเข้าสู่โลกุตระได้จริง มิฉนั้นคนผู้นั้นก็จะเป็นผู้มีกรรมที่วนอยู่ในโลกเดิมๆคือโลกิยะเป็นปุถุชนคงเดิมอยู่เช่นนั้นต่อไปนี้รันดอน